เรียบดุดแม่น้ำอันกว้างจะล้างเสียซึ่งมนทินคือกิเลส ท, ทั้งปวงแห่งบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากวัตตะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารอันว่าธุดงคฆคุณนี้เทสกะสมังเสมือนหนึ่งบุคคลจะนำทางให้เยื้องย่างไปสู่ทางตรงมิให้หลงไปตามทางอันทุเรศคือทิฏฐิอาสวะกิเลสอันร้าย แห่งบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์เข้าสู่พระนิพพานพ้นจากวัฏฏะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารทุตังคะคุนังอันว่าทุหงคะคุนนี้ศัทธวาหะสมังเสมือนหนึ่งพ่อค้าเกวียนผู้ใหญ่เหตุจะนำไปซึ่งบุคคลผู้ปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากวัฏฏะสงสารมหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวธุดองฆาคุณนี้อาทาสะสมังเปรียบดุดแว่นอันบริสุทธิ์ผ่องใสเหตุจะส่องให้เห็นซึ่งสงสารเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแกบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากวัตะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวธุดงฆาคุณนี้เปรียบดุดแผ่นกระดาน เป็นที่จะคลี่คลายซึ่งกิเลสแห่งบุคคลผู้ปรารถนาบริสุทธิ์ยังกิเลสเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้อันตรธานมหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารอันว่าทุกดงค้คุณนี้จันทสมังเหมือนหนึ่งพระจันมีรัศมีเป็นที่จะประโคมใจให้าระงับกิเลสเหตุว่าจะประกอบใจให้บริสุทธิ์อานหาร มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวัตถุดงคข้าคุณนี้สุริยะสมังเปรียบดังสุริยะรังสีอันกำจัดเสียซึ่งมืดหมอกคือตัวอวิชาแห่งบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์ถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สุขสำราญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวัตถุดงคขคุณนี้ พหุปการังมีคุณอุปการมากหิตะการังกระทำให้เป็นคุณโยคะกรังกระทำให้ประกอบซึ่งอุตสาหะในปฏิบัติปิยะกรังกระทำให้เป็นที่รักด้วยดีอวชชะกรังกระทำให้หาโทษไม่ได้ว่าหิกรังกระทำให้ไปจากบาปปัตติทตังเป็นที่ตั้งอาศัย ยะสาวหังสุขาหรังจะนำมาซึ่งยศและสุขสุขวิปากังให้ผลเป็นสุขคุ่ณราศีเป็นกองแห่งคุณคุ่ณปุญชังเป็นกลุ่มแห่งคุณวิปริมิตะวรตังมีสภาวะประเส ร, ริฐ จ, จะนับไม่ได้สัพพัทธปรวรัคัฏฐานังเป็นที่แห่งคุณอันประเสริฐและประโยชน์อันเลิศในที่ทั้งปวง พยานุทังจะกําจัดเสียซึ่งภัยอันใหญ่หลวงโสกะนุทังจะกําจัดซึ่งโศทุกขะนุทังจะกําจัดเสียซึ่งทุกข์ทรัฐานุทังจะกําจัดเสียซึ่งร้อนรนปริลาหะนุทังจะกําจัดเสียซึ่งกระบวนการวายหนึ่งจะกําจัดเสียซึ่งอริวิภาคทั้งหลายและหลักต่อเสี้ยนน้า และจะกาจัดเสียซึ่งพบทั้งสามมิได้บังเกิดต่อไปหนึ่งจะกําจัดซึ่งมานะทิฏฐิสัพพะอากุศลธรรมทั้งปวงเปรียบฉันใดนะบอพิษพระราชาสมภารเปรียปานดุดบุรุษอันซ่องเสพซึ่งโภชนาหารหวังจะให้อุปถัมเป็นกําลังแก่ชีวิตของตนบุคคลบริโภคเพศัทยาทั้งปวงหวังจะให้โรคบรรเทาหายบุคคลคบมิตรสหาย หวังจะป้องกันซึ่งอันตรายต่างๆบุคคลมีนาวาหวังจะไปทางน้ำแถวชนละมากบุคคลสแสวงหาคันธชาติมีกลิ่นวิเศษเหตุพอใจหอมบุคคลย่อมคบคนกล้าเหตุว่ากลัวภ่บุคคลอาศัยพื้นปัตถีเหตุว่าเป็นที่ส่งดํารงอัตมาบุคคลสแสวงหาอาจารย์เหตุว่าอยากได้ศิลปะศาสตร์ บุคคลเป็นข้าเฝ้าพระมาหากษัตริย์ที่ราชอาศัยปรารถนายศบุคคลสแสวงหามณีเหตุว่าเป็นที่จะให้สำเร็จความปรารถนายถามีครุวนาฉันใดอริยาอันว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายสแสวงหาและรักใคร่ซึ่งทุดงสิบสาเหตุความปรารถนาซึ่งพระสามัญญผล น, นั้นเอวะเมวะเหมือนกันกับ ที่เปรียบมาข้างต้นนั้นมหาราชาขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารอุทะกังพีชะวิรูหนียังถ้ามิฉะนั้นดุดน้ําเป็นที่จะรดศาสพืชพันธุ์ทั้งปวงให้เจริญและดุดเพลิงเป็นที่สําหรับหุงต้มเผาจีและดุดอาหารอันเป็นเครื่องนํามาซึ่งกําลังและตาพันธนียังถ้ามิฉนั้น เปรียบเหมือนเครือเขาเถาวัลเป็นเครื่องผูกพันธนาสัตังเฉทนียังดุดมีดอันเป็นที่ฆ่าถ้ามิฉนั้นดุดอุทธกังเป็นที่จะห้ามเสียซึ่งความอยากน้าถ้ามิฉนั้นดุดขุมทรัพย์อันเป็นเครื่องกระทำความเปลืม้มถ้ามิฉนั้นดุดนาวาเป็นที่จะขี่ข้ามและดุดยาอันห้ามเสียซึ่งพยาธิ และดุดยานคานหามเป็นที่จะห้ามเสียซึ่งความทุรนทุรายนั่งนอนไปสบายในมักขาประการหนึ่งดุดเสพคบคนกล้าหวังว่าจะให้คุ้มภัยข้างหน้าและดุดบุคคลเป็นข้าเท้าเบ่าพระยาถือเป็นที่พึ่งดุดหนึ่งบุคคลถือซึ่งโล่แขนเป็นที่จะป้องกันเสียซึ่งปืนผาหน้าไม้อาวุธทุกประการ ดุจอาจารย์เป็นที่จะสอนสิทธิ์ให้รู้วิชาหนึ่งดุจมารดาเป็นที่จะรักษาซึ่งบุตรอันเกิดแต่อกดุจกระจกเป็นที่จะส่องดูหน้าดุจเครื่องประดับประดาจะพาชมให้งามดุจผ้านุ่งที่จะห้ามเสียซึ่งความละอายใจดุจอัฐจันบันไดอันได้เป็นที่อาศัยขึ้นเคหาดุจลุ้งใส่ของนานา เหตุว่าเป็นที่ไว้ของทั้งหลายดุดรู้มนที่ดีเป็นที่จะไล่าตามลัทธิที่เรียนมาดุดอาวุธศัตราเป็นที่จะเงื้อเงื้อคุกคามดุดประทีปเป็นที่จะตามในราตรีดุดเสพนารีเป็นที่จะทําซึ่งความสีนเนหาดุดมีศิลปะศาสตร์วิชาที่หวังว่าจะเลี้ยงชีวิตและดุดสแสวงหายางูพิษ หวังจะป้องกันรักษาชีวิตของอัตมาดุดแก้วอันเป็นที่ประดับประดาดุดราชอาญาตั้งไว้หวังจะมิให้ผู้ใดล่วงกฎหมายดุดอิสริยยศจะให้คนทั้งปวงเป็นไปในอำนาจนอบน้อมมายะถามีอุปมาฉันใดขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐอันวัตุดงคข้าคุณอันเลิศนี้ก็เหมือนกัน สามัญญพีชะรุหะน i ยังเป็นที่จะจำเริญซึ่งสามัญญผลกิเลสชาปนิยังเป็นที่จะบรรเทาเสียซึ่งกิเลสศีละวัตตะมาหารังควรจะนำมาซึ่งศีละวัตวิวิทะสมักคะการังเป็นเหตุจะให้พร้อมเพรียงด้วยธรรมต่างๆวิมติวิจิกิจฉาสัระวิโนทนัง จะกำจัดเสียซึ่งลูกสรคือสงสัยสนเทตั้นหาปีปาศวิเนยังจะนำเสียซึ่งความอยากคือความปรารถนาอภิสมัยะอัาฐะกรังจะกระทำให้ยินดีในอภิสมัยคือธรรมวิเศษจะตุโรคะตระนังเป็นที่จะข้ามโอคะสีและจะดับเสียซึ่งพยาธิคือกิเลสให้บรรลุซึ่งสุขคือนิพพาน และจะดับซึ่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนะัสสุ ป, ปายาสภัยอันควรจะสะดุ้งตกใจกลัวสามัญญาคุณปริรัขนังเป็นที่จะรักษาไว้รอบคอบซึ่งสามัญญาคุณกุวิตากะกิเลสะปวาหนังจะลอยเสียซึ่งกิเลสคือวิตกอันร้ายชั่วชา้า เกวัลสักก ะ, ะสามัญยมนุสสาสนังเป็นที่จะสั่งสอนให้ได้ซึ่งสามัญยผลทั้งปวงสิ้นเสร็จอันหนึ่งเป็นคุณอันงามเป็นที่โลกจะสรรเสริญเหตุจะให้เห็นซึ่งสามัญญผลอันประเสริฐคือสมถวิปัสนามรรคผลและนิานพานสภาปลายะปิทะหนังจะปิดประตูจตุราบายทั้งปวงเสียได้ อันหนอันวธุดงคะคุณนี้เป็นที่จะให้เจริญงอกเป็นยอดเป็นเงื้อมเป็นจอมเสลาคืออัฏฐประโยชน์แห่งพระสามัญญผลเป็นที่จะกําจัดเสียซึ่งสิ่งอันชั่วอันบุคคลสร้างมาแต่ปางก่อนตวาดคุกคามเสียซึ่งกิเลสอันร้อนกระวนกระวายและกองอวิชชาอันมืดมนมานและจะดับเสียซึ่งเพลิงสามประการ และเป็นเหตุจะให้ถึงธรรมอันสุขุมละเอียดเป็นที่จะให้สำเร็จแก่จตุสัจจาพิสมัยตรัสสรู้ซึ่งพระอริยรสัจสี่ประการหนึ่งจะให้บริบูรณ์ด้วยพระสมันตะศีลสมณะผลทั้งปวงชลาพิญญาวระคุณานุปาทนังมีกิริยาจะให้เกิดคุณวิเศษคืออภิญญาหกมีสภาวะให้ผลรวดเร็วและพระทุกองนั้น สุขุมละเอียดบริบูรณ์ประนีตนักเหตุจะให้สำเร็จที่ปรารถนาคือพ้นจากอาบัตและจะให้อริยะธรรมเป็นไปเพื่อได้สามัญญาผลสิ้นเสร็จทุกประการมหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐอันว่าทุดงข้าคุณแห่งบุคคลผู้มีคุณอันสมควรแก่ทุดงทั้งสิบประการนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเป็นคุณประเสริฐ หาสิ่งใดที่จะมาชั่งมาประมาณเปรียบเทียบเสมอมิได้สิ้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโยปุก ค, คโลอันว่าบุคคลผู้ใดป้าปิดโฉมีความปรารถนาลามกอิชชาปากโตมีจิตริศยาท่านกุหากโกเป็นคนปดโป้โกหกกุลุทโธเป็นคนโลภร้ายลามก โอทริโกคิดแต่จะให้เข้าปากเข้าท้องลาภกาโมปรรถนาจะได้ลาบยะสะเหตุ ah u, มุ่งหมายแต่ยศกิติกาโมอยากจะได้ชื่อเสียงบุคคลจำพวกเหล่านี้ไม่สมควรแก่ทุดงแม้ว่าสมาทานเข้าก็จะขาดสมาทานและเมื่อสมาทานจะมีโทษสองประการคือ โทษเห็นประจักษ์ในปัจจุบันและอนาคตโทษมีว่าจะมีในปัจจุบันนั้นคือกุฮีละนังถูกดูมินขีละนังกล่าวข้อนินทาคระหันังติเตียนอุพันดนังเย้ยหยันขิปนังทอดทิ้งอสัมโผคังไม่มีใครครบหาสมาคมนิสระนังไม่มีที่พึ่งพาอาศัย นิจจพะนังถูกว่าเป็นนิจปวาหะนังลอยอยู่คนเดียวแลเหลยวไม่เห็นใครปรวัตินังคนทั้งหลายย่อมค่อนขอดต่างๆนานาและพฏินี่แหละบุคคลมีความปรารถนาไม่บริสุทธิ์สมาทานทุดงย่อมได้โทษเห็นประจักษ์ในปัจจุบันดังถวายวิสัชนามาชนี้ส่วนโทษที่เป็นสัมปรายิกภพ จะมีไปในชาติหน้านั้นคือกระทากาลกิริยาตายลงจะไปเสวยทุกขเวทนามกไม่อยู่ในอวิจีนรกขุมใหญ่จะกลิ้งเกลือกเสือกไปไฟไหม้ทั้งเบื้องบนและเบื้องต่ำแต่ทนทุกขอยู่นั้นมากกว่าพันปีแสนปีครั้นตายจากอเวจีแล้วจะมาบังเกิดเป็นนิชามะตันหิกะเปรตมีกายอันโตใหญ่ มีรูปมิได้บริสุทธิ์มีกลายเป็นช่องปลุกโลงไปแต่เบื้องหน้าถึงเบื้องหลังมีหูอันยาวยานมีตาลืมเลือกลานอดอาหารข้าวปลาน้ำท่าหยาดหนึ่งก็ไม่ได้ตกลงคออดอยากเหลือประมาณมีไฟลุกขึ้นในกายมีเปเลวออกทางปากอันปฏิกูลเหมือนสุนัขที่ตายมีหนังหุ้มกระดูก อาเกียนด้วยนอนบ่อนอยู่ทั้งกายปราศจากที่พึ่งพามีกายไม่ได้เป็นที่พึงใจก็เที่ยวร้องครางไปในประเทศเปรตวิสัยนั้นมหาราช์ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดบุคคลที่เป็นหิ น, นชาติต่ำตระกูลบุญ น, น้อยนักหนาจะเอามาราชาพิเศษเป็นเจ้าแผ่นดินบุคคลผู้นั้น ก็ม่อาจครอบครองราชสมบัติได้กลับจะถูกต้องกรรมกรเป็นต้นว่าต้องตัดตีนศีลหมือมีภัยเป็นอันมากฉันใดก็ดีบุคคลใจบาปหยาบช้าไม่สมควรที่จะรักษาทุดงครั้นรักษาเข้าก็จะขาดจากสมาทานตายไปไม่อยู่อเวจีมากกว่าแสนปีแล้วเกิดเป็นนิชามะตันหิกเปรต เปรียบประดุดบุคคลต่ำตระกูลบุญน้อยได้ราชสมบัติถอยจากราชสมบัติต้องถูกฆ่าฟันตายฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารส่วนว่าอยู่าวาจรภิกษุรูปใดมักน้อยสันโดษมีเพียรอุตสาหะมิได้เกียรติครานมายาปรารถนาจะเปรื่องปลดอัตมาออกจากชาติทีทุกชาราทุกพยาทีทุก มรณทุกศัทธายปพชิโตบวช ด, ด้วยศรัทธาปรารถนาจะยกย่องขึ้นซึ่งพระศาสนาทุตังคะคุณังสมาธิยติสมาทานซึ่งทุดงคะคุณมั่นคงพระโยคาวจร น, นั้นย่อมได้คุนานิสงส์องประการคือเป็นที่รักแก่เทพามนุษย์นิกรทั้งปวงประดุจ ด, ดอกไม้อันมีกลิ่นหอมขจรมีมลิสอน มะลีลาเป็นต้นเป็นที่ยินดีแห่งมหาชนอันมีประโยชน์จะทัศนาและดุจโภชนาหารอันประนีตเป็นที่ปรารถนาแห่งบุคคลอันอดหิวมาและดุจอุธธกทกธาราอันเย็นเป็นที่จะอาบกินแห่งคนอันร้อนรนกระหายหิวมามิฉะนั้นโอสถังวิยะดุจยาหอมเป็นที่ปรารถนาแห่งมหาชนอันร้อนรนด้วยโรคภัย ถ้ามิฉะนั้นดุจราชรถทั้งหลายอันเทียมพาชีอาชาในย่อมเป็นที่พอใจแห่งคนเดินทางเมื่อลาถ้ามิฉะนั้นดุจยานอันรวดเร็วนั้นย่อมเป็นที่รักแห่งบุคคลอันรีบเร่งทุเรศร้อนในทางไกลถ้ามิฉะนั้นไซมโนหระมณิรัตนงวิยะดุจ ด, ดวงมณีรัตนมโนหระจินดา เป็นที่ปรารถนาแห่งแสนสาธุชนถ้ามิฉนั้นดุจ ด, ดุริยะดนตรีแต ร, ตรสังเป็นที่ควรจะพึงฟังแห่งบุรุษนารีผู้นิยมยินดีด้วยศรัทธารมณอันสมทรอนถ้ามิฉนั้นดุจคนฟ้อนย่อมเป็นที่สโมสรแห่งชนอันยินดีปรีดาด้วยรู ป, ปารมณรื่นเริงกำหนัดถ้ามิฉนั้นดุจมนทลเสวตฉัตร เป็นที่โสมนัสแห่งบรมคัตติยาทิบดินทระวเรศราชมนุษย์ถ้ามิฉนั้นดุดพระอรหัตตผลอันบริสุทธิ์เป็นที่ปรารถนาแห่งสาธุชนอันยินดีในธรรมดังนี้ประการหนึ่งคือพระชินศาสนาจะอำนวยให้สำเร็จผลคือยศและสุขอันเลิศและพระสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ย่อมจะบริบูรณ์เต็มที่ แกท่านผู้ถือทางธุดงมั่นคงไม่ประมาทใช่แต่เท่านั้นพระอิทธิบาท 4, สัมสมัปทานสอิน 5, รีห้าพละห้าโพชฌงเจ็อัฐังกิกรรมักแปประการและสมถาวิปัสนากรรมฐานปฏิเวทธรรมและพระสามัญญผลสี่พระปฏิสัมพิธาสาวิ ช, ชาสามอภิญญาหกอันว่าสมณะธรรมทั้งสิ้นนี้ ก็ย่อมจะเป็นที่สําเร็จแก่ท่านผู้ถือทุดงอันมั่นคงนั้นทุกประการมิช้ามินานก็จะได้มนทนวิมุต ต, ติเสวิตาชัดกล่าวคือสําเร็จแก่พระอระหัน ต, ตัดกิเลสเป็นสมุดเฉดประหารเข้าสู่กรุงแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานอันเลิศดังนี้ประการหนึ่งเป็นคู่นานที่สงสองประการชนีมหาราชา ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบดุล ร, ราชกุมารอันเกิดในมหาสมมุติวงศ์องค์อภิชาติครั้นได้ราชสมบัติแล้วก็จัดแจงตั้งแต่งข้าราชการที่ดีมีสติปัญญาให้รักษานิคมคามาเขตขันทศีมามั่นคงดีไม่มีภัยพระบรมกษัตริย์นั้นก็มีเดชานุภาพแผ่ไปได้เป็นใหญ่ในทิศทั้งปวงโดยรอบนั้น ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าที่ใจศรัทธานั้นก็เหมือนกันถือมั่นในทุดงสมาทานย่อมจะได้ผลพิเศษต่างๆดังถวายวิสัชนามาแล้วข้างต้นนั้นขอถวายพระพรเรื่อง ว่าด้วยชื่อทุดงส3าประการมหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐประการหนึ่งธุดงคุณส3านี้บุคคลกระทําให้บริสุทธิ์แล้วจะพาเข้าสู่นิพพานสาครเล่นเพลิดเพลินเจริญใจด้วยธรรมกีฬาเป็นอันมากมีอันได้บรรลุสมาบัตเป็นต้นและอภิญญาหกอันวิเศษดุดพ่อค้าทางเรือ ผู้มีทรัพย์เที่ยวทอดเทเผื่อแผ่ไว้เป็นอันมากครั้นพ่อค้านั้นจากเคหาลงนาว่าไปสู่นานาประเทศคือเมืองสุวรรณภูมิและเมืองอื่นๆทั้งหลายก็ซื้อง่ายขายคล่องได้สำเร็จดังเจตนายะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรตั้งอยู่ในทุดงสิบสามนั้นทุดงย่อมพาไปให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ มีอาสวัคยาญาณเป็นที่สุดได้ฉันนั้นขอถวายพระพรมหาราชะดุราณะบพิษผู้ประเสริฐอันวาทุดงสิบสามนั้นคืออรัญญิกะทุดงหนึ่งปินดาปาติกะทุดงหนึ่งเตจีวริกะทุดงหนึ่งสปะทานาจาริกะทุดงหนึ่งคลุปัชชาพัตติกะทุดงหนึ่งเอกาสนิกะทุดงหนึ่ง เนสัชิกะทูดงหนึง่งยถาสันทติกะทูดงหนึง่งลุขมูลิกะทูดงหนึง่งอภโกาสิกะทูดงหนึง่งปังสุกุลิกะทูดงหนึง่งปัตตะปินดิกะทูดงหนึง่งโสสาริกะทูดงหนึง่งสิริเป็นสิบสามด้วยกันมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าทูดงสิบสามประการ น, นี้ เป็นที่ครอบครองซ่องเสพแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้สบายเกิดสันตสุขสมาบัตสืบมาแต่การก่อนและบัณฑิตชาติย่อมสมโมสรสังวาสสำราญแต่การอดีตมาดุจชาวนาย่อมชมรักตอก่อไม้แล้วก็ไถหวานลงซึ่งทัญญพืชในที่อันปราศจากหลักต่อนั้นครั้นนานมากก็ได้ทัญญพืชมาก เหตุเมื่อเดิมกระทำดียะถามีครุวนาชันใดบัณฑิตตยชาติที่ได้รักษาทุดงไว้ในชาติก่อนก็เหมือนกันดังนั้นก็ได้สรนตสุขสมาบัตง่ายๆในชาตินี้ดุจชาวนานั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียปานดุจบรมกษัตริย์ ได้ครองราชสมบัติอาศัยแก่ตระกูลวงเคยครอบครองราชสมบัติมาจึงได้เป็นใหญ่เป็นอิสระภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปในแผ่นปัทถภียะถามีครุวนาฉันใดพระยูาวาจรเจ้าเป็นใหญ่ในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมโลป ก, กนาฏศาสดาสืบวงศ์สา พ, พระชินุรดต่อไปอุปมาเหมือนบรมกษัตริย์สืบสมบัติตามวงนั้น องค์พระโยคาวจอนั้นได้บรรลุสำเร็จแก่วิชาจรณะได้เป็นอิสระในพระศาสนาก็อาศัยเพราะได้รักษาทุดงไว้มั่นคงเหมือนฉะนั้นมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบพิษจะไม่เคยได้สวนาการทรงฟังบ้างหรือพระอุปเสนเทระองค์หนึ่งมีศีลบริสุทธ์เป็นบุตรแห่งวังคันตพราม ท่านปฏิบัติเป็นสันเลขะทุดงคะสมังคีท่านไปยังกรุงสาวัตถีมิได้เอื้อเฟืออะไรในข้อกติกาของพระสงฆ์ทั้งหลายพาภิกษุบริษัทสิทธิ์ของตนเข้าไปสู่สำนักพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคไม่เวลาเสด็จเข้าที่เร้นอันสงัดถวายนามัสการโดยเคารพแล้วก็นั่งอยู่ในที่ควรข้างหนึ่ง พระขาวาจตังสุวินีตังปริสังโอโลกยิตตวาส่วนว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรดูกิริยาภาธีของภิกษุผู้เป็นบริสัทธสิทธิพระอุปเสนนั้นดูนี้เป็นแบบเดียวพิมพเดียวกันมีพระพุทธหฤทัยหันษาสัททิงสันลาปังสันลปิตตวาสมเด็จพระบรมโลกาาศาสดา กตรัสสนทนาปราศัยด้วยบริษัทของพระอุปเสณนั้นแล้วมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูราณอุปเสณสงบริษัทสิทธิ์ของเธอนี้ดูสุจริตกิริยาดีเป็นพิมพ์เดียวกันดูราณอุปเสนบริษัทสิทธิ์ของเธอนั้นสั่งสอนกันด้วยอุบายประการใดพระอุปเสนได้ฟังพระพุทธดีกาตรัสถาม จึงประนมน้อมอภิวาสวรรณนาการกราบทูลว่าพันเตภะควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามโยโกโจิบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาสู่สำนักกระหม่อมฉันแล้วขอบรรพชาก็ดีขอนิสัยก็ดีกระหม่อมฉันจึงว่ารูปนี้ถืออรัญญิกะทุดงเตจีวริกะทุดง และปังสุกูลิกะทุดงถ้าแม้ท่านถือได้ดุดรูปนี้รูปจะบวชให้และจะให้นิสัยถ้าว่ากระทำไม่ได้รูปก็บวชให้และให้นิสัยไม่ได้กระหม่อมฉันว่ากล่าวดังนี้บริษัทสิทธิ์ของกระหม่อมฉันจึงพร้อมกันปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันมหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภาร พระยุคาวจรที่สมาทานทุดงนั้นได้เป็นใหญ่ในพระบวรพุทธศาสนาและเป็นที่โสมนัสยินดีย่อมมีแต่สันตสุขสมาบัติชนีมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งปานดุดปธุมาชาติบัวหลวงธรรมดาว่าปธุมาชาติบัวหลวงนั้นย่อมมีคุณถึงสิบประการ เหตุว่าเป็นพืชชาตอันสูงบริสุทธิ์ประเสริฐเกิดเป็นดอกไม้อันเลิศในโลกนี้เป็นประเพณีนิยมมากะตะเมทะสะอันว่าคุณแห่งปฐุมชาติสิบประการนั้นคือสิ่งไรสินิทะมุทุคือปฐุมชาตินั้นเป็นของอ่อนนุ่มสนิทประการหนึ่งสุภนิยังเป็นที่ตั้งแห่งความงามประการหนึ่ง สุขันธางังมีกลิ่นหอมประการหนึ่งปิยังเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายประการหนึ่งปัตติตังอันชนทั้งหลายปรารถนาประการหนึ่งปัสสตังอันชนทั้งหลายสรรเสริญประการหนึ่งชะละกัตธรมะอนุปลิตตังจะได้มีอุทกังหรือเปลือกตมซึมซาบชุ่มชื่นเปียกบนอยู่หามิได้ประการหนึ่งอนุปตตะเกษระกันนิกาหิมันตะตัง ประดับไปด้วยใบยอ่อนเกสรและกลีบประการหนึ่งพระมระคณะเสวิตังมีหมู่แห่งแมลงผู้และแมลงพึ่งบินโฉบฉาบคาบเกสรประการหนึ่งสีตละสลิละสังวัฒน์ถังเจริญขึ้นแต่ในน้ําอันใสสะอาดบริสุทธิ์ประการหนึ่งสิสสงง ร, นนสส ร, ส ร, รสิเป็นสิบประการเท่านี้อันว่าปฐมชาติเป็นของประเสริฐ ประกอบไปด้วยคุณสิบประการนี้ยะถามีคุวนาชันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิพระราชสมภารพระยูคาวาจรเจ้าที่ซ่องเสพสมาทานในทุดงคคุณมั่นคงนั้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณสามสิบประการสีนิทะมุทุมัถวะเมตตจิตโตคือจะมีเมตตาจิตอ่อนสนิท ในสัพพสัตถ์ทั่วไปประการหนึ่งคาติตะหาตะวิคตะกิเลโสมีกิเลสอันพิฆาตฆ่ากําจัดให้ปราศจากไปประการหนึ่งนิหาตะมานะทิโถเป็นผู้กําจัดเสียซึ่งมานะและทิฏฐิประการหนึ่งอาจละทันหะนิวิทธะนิเพมติสัตโธมีศรัทธาอันมั่นไม่ได้วันไหวปราศจากสอดแคล้วสงสัยประการหนึ่ง บริปุณะวินิตะประหัต ส, สุภนิโยมีจิตงามเบิกบานในที่จะฝึกหัดให้บริบูรณ์ประการหนึ่งนิยตะสันตะสุขะสมาปัติโยมีสันตสุขสมาบัตบังเกิดเป็นอันเที่ยงประการหนึ่งอจละศีละสุจิคันทะปริภาวิโตอบรมไปด้วยศีลอันไม่ได้วันไหวมีกลิ่นสะอาดหอมฟุ้งไปประการหนึ่ง คีนาสวะพระวันตีมีกำลังในที่จะให้สิ้นอาสวะประการหนึ่งอริยะปุคละชินะศาสนาปัตถิโตเป็นที่ปรารถนาแห่งพระอริยะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในชินาศาสนาประการหนึ่งผู้วีจะทิวีจะเทวมนุษษาหนังเป็นที่สรรเสริญชื่นชมแห่งเทพาและมนุษย์ทั้งหลายประการหนึ่งอสุรานังวันทิตะ ปัสถัถะมนะชนานังทุวะทั ป, ปิตะโธมิตะปัสถโถัโธเป็นที่ไหว้และสันเสริญแห่งหมู่อสูรและเป็นที่ชื่นชมโถมนาการแห่งมารทั้งหลายประการหนึ่งโลกะมนุปปลิโตมิได้ระคนปลเจือไปด้วยโลกประการหนึ่งอัปะโธกังอนุวัชชะพยาทศวีมีปกติเห็นซึ่งโทษและภัยแม้จะเพียงเล็กน้อยประการหนึ่ง มัคคะพละปะวรัตถาสาธโกให้สำเร็จซึ่งประโยชน์คือมัคและผลอันประเสริฐแก่ชนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะพ้นทุกประการหนึ่งอายาจิตตะวิปุละปนีตะปัจจยะาคีสมควรที่จะอาราธนาถวายจตุปัจจัยอันไพบู์และประณีตประการหนึ่งอนิเกตะสยนะกามีเป็นผู้ปรารถนานอนในที่หาอาลัยไม่ได้ประการหนึ่ง ชาณชายิกะประวระวิหารีมีปกติเพ่งฌานและมีวิหารธรรมอันประเสริฐประการหนึ่งวิชติตาชาละกิเลสวตทุวิทังสิตะภะโคเป็นผู้กำจัดและหักกรานเสียซึ่งวัตถุแห่งกิเลสซึ่งเป็นดังข่ายอันรกชัดให้ขาดศูนย์ประการหนึ่งสังกุติตาสัญช น, นะคตินิวารณู จะห้ามเสียซึ่งคติอันดาดาษไปด้วยความโคดเคี้ยวที่จะให้เวียนว่าอยู่ในวัดตะสงสารประการหนึ่งอกุปะธรมเมอภินิวาโสจะตั้งอยู่ในอกุปะธรรมนั้นประการหนึ่งอนวัชิตะโพคีจะบริโภคซึ่งสิ่งอันปราศจากโทษประการหนึ่งโอติ น, นะสัพภวิจิกิจโชจะข้ามเสียซึ่งความสงสัยทั้งปวงประการหนึ่ง วิมุติชายิตตะโตมีจิตเพ่งเล็งซึ่งวิมุติประการหนึ่งทันหะธรรมโมมีคุณธรรมมั่นคงแน่วแน่ประการหนึ่งทิฏฐะธรรมเเมจละทันหะพิรุตมะนุปะคะโตจะมีจิตมั่นมิได้โลเลกลัวภายในทิฏฐธรรมประการหนึ่งอนุนยะสมุติฉิโนจะตัดเสียซึ่งความยินดีตามประการหนึ่ง สภาสวัสดย์ ป, ปัตโตจะถึงซึ่งอาสวัสดยไผประการหนึ่งสันตะสุขะสมาปติปฏิละปฏิจะได้ซึ่งสันติสุขสมาบัตดประการหนึ่งสมณะคุณะสมุปโคจะประกอบไปด้วยคุณแห่งสมณะประการหนึ่งสิลิเป็นคุณ30ประการชนิมหาราชาขอถวายพระพรบอรพิษพระราชสมภาร มหาบาพิทย่อมจะทรงทราบ พ, พระยานอยู่ว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจ้าเป็นอักขระบุรุษในหมื่นโลกธาตุยกบรมมาสมเด็จพระบรมโลกนาจเจ้าเสียแล้วใครจะเทียมนั้นหาไม่ได้และพระผู้เป็นเจ้ามีกุศลได้สร้างสมอบรมมาช้านานประมาณสองอสงไขยหนึ่งกับแสนกันครันศาสนาสมเด็จพระสัพพันยุบรมครูผู้ประเสริฐ จึงได้มาเกิดในตระกูลพราหมมหาศาลเหนื่อยนายกามคุณอันเป็นสังกิเลตลามกมลทินและเสียสิ้นซึ่งสมบัติพัสสถานภรยาและสริงขานนานาชินศาสนปรปปพิชิตวะพระสารีบุตรเจ้าก็บวชในพระชินศาสนากายวจีจิตตังธรมยิตวะทรมานกายทรมานวาจา รักษากิจทุดงพร้อมด้วยองค์สิบสามประการนั้นบริบูรณ์ทรงไว้ซึ่งอนันตคุณสามารถเทศนาพระธรรมจักรกับประวัตนะสูตรได้คล้ายสมเด็จพระบรมศาสดาแม้สมเด็จพระเทวาติเทวาจารย์เจ้าของเหล่านี้ก็ได้มีพระพุทธดีกาสันเสริญไว้ในอังคุตระนิกายว่าภิกขเวดูรานะภิกษุทั้งหลาย อหังอันว่าพระตถาคตมิได้รำพึงเห็นสาวกอื่นที่จะเป็นเอ ก, กบุคคลเหมือนธรรมเสนาบดีสารีบุตรอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนี้เทสนาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้เหมือนตถาคตเป็นเอ ก, กบุคคลผู้เดียวอันภิกษุอื่นจะเหมือนนั้นหาไม่ได้นี่แหละบพิตรราชสมพานผู้ประเสริฐ อันว่าบุคคลผู้ทรงซึ่งทุดงนี้ให้ซึ่งอนันตะคุณแก่ผู้อื่นได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาเป็นใหญ่ในสาคลราชธานีได้ทรงสวนาการฝั่งพระนาคเสนท่านสำแดงซึ่งทุดงคัคคุนนี้ก็ชื่นชมนิยมยินดีว่าสาธุพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ปัญหานี้ล้ำเลิศประเสริฐนักหนาวิจิตด้วยอุปมาอุปไมยภัยสาลพระผู้เป็นเจ้าช่างชักเอาพระพุทธวจนะและพระโลกุตระธรรมนำมาสะสมประชุมไว้ในทุดงสิบสามประการนี้ได้หมดปรากฏแจมแจ้งกระจ่างใจหมดมนทินสิ้นสุดสงสยัยโยมจะรับประทานจำไว้เป็นข้อวัตรปฏิบัติซืบต่อไปในการบัดนี้ ทุตังค่าปัญหาเป็นคำรบก้าในนวมะวักจบเพียงนี้เมนตกะปัญโหนิทิโตสมัตโตเมนตกะปัญหาจบเท่านี้